วสการค่ะคือก่อนหน้านี้มีโอกาสไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์อะค่ะสักสองสามเดือนแล้วก็ส่งกันบ้านท่านบอกว่า เ, เราเห็นเวทนามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ในขณะที่รู้เงี้ยค่ะท่านก็ให้กันบ้านกลับมาบอกว่าให้ฝึกให้จิตตั้งมัน่นจริงๆก็เลยก็เล ย, ยก็เลยกลับมาเปฏิบัติต่อแล้วก็ทีนี้พอปฏิบัติต่อไปก็ตอนนี้ก็เห็นว่า แค่เห็นว่ามันเคลื่อนเห็นว่ามันเคลื่อนไปเรื่อยๆอะเจ้าค่ ะ, คะ เ, เสร็จแล้วก็ก็เหมือนกับว่าเราก็กลับมาอยู่กับรู้ทีนี้พอทําทําไปเนี่ยก็รู้สึกว่าเ อ, อเห็นว่าตัวรู้เนี่ยมันไม่เที่ยงอืเราก็แบบเสียใจหลับไปได้เสียใจมากสังเกตนะเมื่อกี้อืแล้วก็ <c oughs> อ้าว <c oughs> ก็รู้ว่ามันก็ก็เลยรู้ว่ายึดตัวรู้อยู่อะเจ้าค่ะแต่ว่าก็ก็ดูไปพอทํทำอะไรมันไม่ได้ก็ก็ดูที่มันเคลือ่อดูที่มันเคลื่อนดูตามตจริงดูตามจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ดูแบบหวังสงบไม่ได้ดูแบบหวังนิ่งนิ่งก็ไม่ดีอย่างที่หลวงปู่เสาเปรยกับหลวงพ่อพุธเจ้าค่ะจิตของข้าตอนนี้มันคิดไม่หยุดแต่ไม่ใช่ว่าเลวร้ายไม่ใช่ว่า เป็นสิ่งที่ไม่ดีรู้ว่ามันมีความคิดผุดผุ ด, ผ, ดผุดขึ้นมาก็รู้เผลอไปตามความคิดก็รู้มันก็มีเ ผ, ผลอรู้เผลอรู้การเห็นเผลอรู้เนี่ยดีเพราะมันเกิดดับสลับกันแต่มีแต่รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รย้รู้รเ้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้อู้รูอรู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้าู้รู้รู้รู้รู้รู้รู ให้ดูความจริงขอดูความจริงมันไม่เที่ยงก็รู้ตามจริงว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้มันแสดงความจริงให้ดูแล้วแต่เราไม่ยอมรับตอนนั้นเองเพราะเราตั้งเป้าไว้ผิดตั้งเป้าหมายว่าขอดูความจริงขอดูความจริงพอมันแสดงความจริงให้เห็นแล้วเอแค่นี้เองปรัชญาอาจารย์เจ้าค่ะเป็นครั้งที่สองแล้วเจ้าค่ะที่ได้พบพระอาจารย์ครั้งแรกหลายเดือนแล้วค่ะ อาจารย์บอกว่าก็เห็นใจเนาะอยากค้นทุกตอนนั้นก็ส่วนเซยอยู่เล็กน้อยผ่านมาหลายเดือนก็เจออะไรมากมายเทื่ให้เข้าใจขึ้นทีนี้วันนี้ก็มีอยู่สองคำถามส้าค่ะก็ติดมาพักหนึ่งแล้วล่ะค่ะแต่ว่าก็คิดว่าเออไหนลองถามดูถ้ามีโอกาสอย่างแรกคือหนูจะเห็นรู้สึกถึงอาการของจิตแล้วมันเจ็บที่กลางอกมันจะปวด ทีนี้เนี่ยปกติเมื่อก่อนก็เคยถลําลงไปดูพอทราบว่ามันเป็นการเคลื่อนก็ทีนี้ตึงมันไว้นะคะก็พอตึงมันก็จะแน่นๆแต่เราก็เราก็พยายามไม่ดิ้นหล่นมันก็ยังมีความพยายามอยู่ตรงนั้นนะคะทีนี้เนี่ยหนูไม่รู้ว่าทำไมมันปวดตังค์ือถึงจะรู้ว่าปวดมันมันว่าปวดมากปวดที่กายหรือเปล่าปวดที่จิตเวลามันเคลื่อนนะคะ มันมันไม่ไม่มันเหมือนอาการของจิตที่เกิดค่ะแต่ไม่ปวดที่กายแต่ปวดภายในอ่ะค่ะอเป็นเวทนาเจ้าค่ะแต่แต่ให้รู้ว่าเวทนาอันหนึ่งตัวรู้อีกอันหนึ่งแล้วแล้วอาจารย์ที่หนูตรึงไว้ไปก่อนได้ไหมคะฮะคือคือพอพอหนูรู้ปุ๊บบางทีหนูถล่มไปไปดูมันแล้วหนูก็ถอยออกมาพอถอยออกมาแล้วมันมันเหมือนไปตรึงเมื่อไม่ให้ตัวเองถล่มเคลื่อนไปจ้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันมีมันมันไม่พอดีอะค่ะอยากดีอยากหายเออนั่นแหละอยากดีรู้ว่าเป็นอย่างนี้มันไม่ดีก็เลยอยากหายเพราะคิดว่าตอนนี้มันไม่ดีอยากให้มันดีก็เลยมีการมีการบังคับมีการมีการอะไรประคองมันมันเกิดมันมันจะเกิดว่าแวบแรกมันเหมือนรู้แล้วมันประคองเลยอย่างที่พระอาจารย์แล้วแล้วเบื้องหลัง เบื้องหลังการถ่ายทำอันนี้ก็คือว่ามีตัวตัวโลภอยากดีให้ดูตัวโลภอยากดี ต, ตัวโลภดูยากจงาังเนาค่ะตอนนี้มันต้องดูแล้วละ่ะ <c oughs> แล้วก็ข้อสองที่จะกัดเรียนถามคือบางครั้งหนูไม่รู้ตัวว่าเผลอหนูจะรู้เมื่อสติเกิด คือสติมันจะว่า ม, ามันก็จะเกิดก็จะ ก, ก็จะตอนเผลอไม่รู้ถูกต้องออ <laughs> ทีนี้เมื่อพอสติเกิดแล้วรู้ปุ๊บเนี่ยคือหนุมไม่มั่นใจว่านั้นเรียกว่าเกิดดับหรือเปล่าเจค่ะหรือว่ามัน<พ><พ>เกิดดับอยู่แล้วแต่จิตมันจะเก็บข้อมูลไปก่อนเราเนี่ยยังไม่สรุปและจิตก็ยังไม่สรุปถ้าเรารีบสรุปจิตยังไม่สรุปก็เพียงแต่ว่าเรามีกระบวนการความคิดเทียบเคียง แล้วก็เกิดเป็นความคิดขึ้นมาว่าเออมันไม่เที่ยงแต่จิตเนี่ยมันยังไม่สรุปจิตยังไม่เชื่อค่ะเพราะว่ามันจะมีมันจะต่างกับสภาวะอื่นที่เห็นจริงๆว่ามันว่ามันแยกอันนี้เก็บข้อมูลให้กับจิตไปแล้วจิตเนี่ยเรยียนรู้ไปแล้วว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นมีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้เกิดขึ้นมีสิ่งนี้ดับไปแต่มันยังไม่ยอมเพราะจิตเนี่ยมันสะสมอวิชชามานาน สว่างแว บ, บเดียวเนี่ยนะมันยังมันมองอะไรยังไม่ทั่วยังไม่เชื่อก็ปล่อยเป็นทำทำนองนี้สะสมความรู้ของจริงอันนี้ต่อไปความรู้ของจริงคือเจริญสติเห็นสภาวะจริงๆในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ต่อไปสภาวะหมายถึงความหลงตรงนี้ได้ด้วยความเผลอได้ด้วยใช่มเจ้าคะความหลงนั่นแหละเป็นของจริงในขณะนี้ขณะนี้ไม่ใช่ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้มันเป็น เมื่อกี้หลงแล้วก็เห็นทันตอนที่หลงเนี่ยไม่มีสติแล้วก็ดับแล้วก็มีสติในขณะจิตต่อมาจิตต่อมาเนี่ยมีสติเห็นว่าเมื่อกี้นี้มีความหลงเกิดอยู่ตอนหลงเนี่ยมันไม่ใช่หลงแค่นี้นะมันหลงไปไกลได้ค่ะแต่พอเกิดสติปุ๊บมันก็เหมือนแนบเข้ามาเป็นสมถะเลยนะโซคามันจะเปิดอันนี้มีการบังคับหละค่ะหนูก็เลยไปตอบไม่ถูกนิดนึงะค่ะให้รู้ทันว่าทาสมถะ รู้ฐานว่าเมื่อกี้นี้เป็นสมถะแค่นี้ก็ใช้ได้ไม่หลงไปตามไม่หลงคิดว่าแค่นี้พอถ้ารู้อยู่ว่านี่เป็นสมถะก็จะไม่ไม่น่าเป็นห่วงเพราะถ้ารู้อยู่ว่ามันเป็นสมถะก็แสดงว่ามันรู้อยู่ว่ามันยังต้องมีอีกมันต้องไปอีกว่าจะต้องทำวิปัสสนาถ้ายังมัวแช่อยู่อย่างนี้ยังเป็นสมถะ ท่านนิ่งอยู่อย่างนี้เป็นสมถะการที่จะให้เกิดวิปัสนาได้คือต้องเห็นความเคลื่อนไหวเห็นการเปลี่ยนแปลงท่านจึงบอกว่าอย่าให้จิตมันว่างอย่าให้จิตมันว่างหรือว่าจิตตอนนี้มันมีความปรุงแต่งคิดนึกก็ไม่ห้ามหลวงปู่เสาท่านยังมีท่านยังเปรยให้ให้หลวงพ่อพูดฟังให้มีจิตที่ตั้งมั่นและเห็นสิ่งต่างๆมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ตรงนี้หลวงปู่มั่นเรียกว่าถีติภูตังตัวตั้งมั่นนี่ถีติตัวตั้งมั่นภูตังคือสิ่งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงให้เห็นแล้วจิตไม่ไหลไปความรู้สึกมันเลยเรียกว่าเห็นมันอยู่รอบๆหรือยิ่งอธิบายยิ่งงงคือจิตที่ตั้งมั่นนี่แหละจิตตั้งมั่นมันรู้อยู่ที่จิตแต่อย่าไปทําให้มันเกิด อย่าไปบังคับให้มันเกิดไปบังคับให้มันเกิดจะเป็นสภาวะอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ตัวตั้งมั่นจริงเป็นบีบบังคับเอาไว้ตัวตั้งมั่นที่เราจะทำได้อย่างโยมจะทำได้ก็คือว่ารู้ทันว่าจิตมันไหลไปรู้ทันว่าจิตมันไหลไปตอนที่มันไหลไปเนี่ยมันไม่ตั้งมั่นสังเกตนะตอนมันไหลไปเนี่ยมันไหลไปแต่ตอนที่ตั้งมั่นคือรู้ตอนรู้น่มันตั้งที่ไหนไม่รู้ ใช่ไหมถามว่าจิตตั้งอยู่ที่ไหนบอกไม่ได้แต่ตอนที่มันไหลนะ่ะป่มันมีที่รู้สึกไหมตอนที่มันไหลไปเนะี่ยมันมีที่แต่ตอนรู้เนี่ยอยู่ที่ไหนตอนงงนะ่จิตอยู่ที่ไหนตอนรู้จิตอยู่ที่จิตแล้วจิตมันอยู่ตรงไหนไม่ไม่มีที่ตั้งเหมือนที่เคยเล่านิทานนั่นแหละ ว่าไม่เหมือนหายปาราใครฟังไหมบ้างะแสดงว่าหน้าใหม่เคยเล่ า, านิทานนะพอมีเวลาเนาะแต่นิทานนี่มันออกจะนอกเรื่องเล่าขำๆจิตไม่มีที่ตั้งไม่เหมือนไม่เหมือนหายปาระหายปาระเนี่ยต้องมีที่ตั้งมันมีคนหนึ่งเอาปาราไปถวายพระ แต่วันนั้นพระท่านมีกิจนิมนเหลือพระใหม่อยู่องค์เดียวกับเด็กวัดก็ไปถามเด็กวัดจะเอาปาลาล้าไว้ไหนเด็กวัดก็ไม่รู้ไปถามหลวงพี่หลวงพี่ก็อ๋อตั้งไว้บนอาสนะนั่นแหละที่เดี๋ยวจะไปรับเดี๋ยวจะเหมือนกับเวลาโยมมาถวายของเดี๋ยวพระจะไปรับตรงนั้นนะโยมก็ไปตั้งเหมือนอาสนะพระอยู่นี่ก็ตั้งบนอาสนะเลยหลวงพี่มาก็ โอ้โหเราต้องมาหาอาสนะใหม่เพราะอิตานี่มันเอาพารามาตั้งบนอาสนะซะแล้วพอถวายเสร็จก็ขอพรแล้วท่านก็เป็นพระใหม่ยังไม่ได้พรให้พรไม่เป็นได้ได้ยินคุ้นคุ้นหูแต่ว่าท่องไม่ได้ก็เลยบอกว่าเอาจ ะ, จะรับพรใช่ไหมเอาจะรับจะให้พร อะประมามะตังทิตังมิตังมะตังทิกูจะนังแปลออกไหมภาษาบาลีป่ะแต่ฟังเหมือนใช่ไหมอะประมามะตังทิตังมิตังมะตังทิกูจะนังไอ้นั่นสาธุ <c oughs> โหหนุ่มพี่นี่ยอดเยี่ยมจริงเลยเบื่มใจเบื่มใจกลับสามทีกลับบ้าน ไอ้เด็กวัดหลวงพี่เอาบทไหนมาให้พอนี่ไม่เคยได้ยินเลยกูแต่งเองเมื่อกี้นี่เองมันแปลว่าอะไรผมไม่เคยได้ยินเลยหลวงพ่อผมอยู่วัดมาหลายปีแล้วหลวงพ่อก็ไม่เคยให้บทนี้อะปา ร, รามะตังแปลออกไหมเอาปา ร, รามาตัง้งอืมทิตังมิตังที่ตั้งไม่ตัง้งมะตังทิกูจะนั่อ <c oughs> อย่าเอามาตั้งที่กูจะนั่งนะนี่ก็อปลาละต้องมีที่ตั้งใช่ไหมแต่จิตไม่มีที่ตั้งจิตเปลี่ยนเห็นไหมมีความเปลี่ยนแปลงเวลาพูดถึงปลาละนึกพูดถึงหลวงพี่เนี่ยจิตไปที่ไหนไปวัดไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมนึกถึง ม, มนโนภาพของวัดวัดหนึ่งเป็นศาลาวัดที่เราคุ้นเคยไม่ใช่ที่นี่นึกถึงที่ไหนก็ไม่รู้ใจลอย ให้รู้ตรงนี้เล่าถึงเรื่องตลกมีความสุขให้รู้ว่าจิตมีความสุขเบิกบานเบิกบานแบบหลงๆไม่รู้ตัวเวลามีความสุขเนี่ยมันจะมีความสุขแบบมีสติกับมีความสุขแบบหลงๆแต่ถ้ามีความทุกข์เนี่ยขณะนั้นมีโทสะไม่มีสติแน่นอนตอนที่มีความทุกข์นะจะต้องเป็นขณะที่เป็นมีโทสะ ทุกครั้งไปนั้นมีความทุกข์ขึ้นในใจรู้เลยว่ามีโทสะไม่ใช่ทุกกายนะทุกกายไม่เกี่ยวทุกกายแล้วมีความสุขก็มีถูกแฟนกัดชอบทุกกายแต่ชอบแยกออกไหมดูนะมีคำถามอีกไหมหรือมัวแต่นึกถึงปาระ กรรมนมาสการค่ะขอถามเวลานั่งสมาธินะคะคือบางครั้งเวลานั่งแล้วพอดังๆนี้เวลานั่งแล้วบางครั้งพอกายสบายจิตสบายขึ้นมันก็จะเหมือนกับสบายแล้วรู้แล้วแล้วก็อยากจะออกจากสมาธิเองอยากจะออกหรือว่าไมนเหมือนกับมันไม่เหมือนกับมันใช่ค่ะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับมาได้พักแล้วเหมือนกับมันสออกเองใช่ไหมมันออกเองอะ เป็นเพราะว่าแต่ทั้งที่บอกบางครั้งเราก็อยากจะเดินปัญญาต่อแต่ว่า อ, อ๋อถ้าในสมาธิตอนอยู่ในสมาธิยังไม่ต้องเดินปัญญาถ้าเข้าสมาธิอยู่นะจะมาเดินปัญญาตอนตอนมันออกมาแล้วแต่คนที่ชำนาญแล้วเนี่ยตอนอยู่ในสมาธิแล้วมันมีการเปลี่ยนองค์ชาญอย่างเงี้ยเห็นองค์ชาญที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นต้องชำนาญสองอย่างเข้าสมาธิชนานาญด้วย จเจริญปัญญาชํานาญด้วยคือมีการเปลี่ยนแปลงในจิตองค์ชาดมันเปลี่ยนไปเนี่ยก็เห็นทันเลยฉังนั้นก็เดินปัญญาในองคชาดได้แต่ถ้าคนไม่ชํานาญไม่ไหวดูตรง น, นี้ไม่ได้ดูดูไม่ได้ดูไม่ทันเนียนะตอนมันออกจากสมาธิแล้วค่อยมาดูมันเสวยอารมณ์ใหม่แล้วมีการเคลื่อนของจิตแล้วมีิตมีจิตเคลื่อนจิตทํางานแล้วมันไม่นิ่งแล้วเนี่ยมันมเห็นทันตอนนั้น คืออย่างตอนที่ถ้าเรารู้สึกว่าตอนนั้นก็จะรู้สึกว่ามันสบายสบายตอนสบายสบายแล้วก็เหมือนกับคือมันสบายขึ้นแล้วเราก็มันก็จะออกมาแต่พอสังเกตว่าพอในชีวิตประจำวันมันก็จะเดินมันก็จะเห็นกิเลสเห็นอะไรได้แต่หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะพลิกดูตอนนั้นแต่ในชีวิตประจําวันเราไม่ใช่ว่าไปเข้าฌานไม่ก็คือบในชีวิตประจำวเจริญสติค่ะเราก็จะเช่นความรู้ตัวแต่ในขณะที่เรานั่งเราทําไม่ได้ใช่ไหม ตอนนั่งเหมือนเป็นการซ้อมเป็นการซ้อมเป้านิ่งแต่ตอนในชีวิตประจำวันเนี่ยเหมือนเหมือนมันต้องอะไรใช้ทักษะที่ใช้ที่เราได้ซ้อมไว้นั่นแหละเอามาใช้เคยเห็นจิตตอนที่เรานั่งนิ่งๆได้ก็ต้องซ้อมในขณะที่กายเราเคลื่อนไหวได้ด้วยในขณะที่ใจเคลื่อนและกายนิ่งๆเนี่ยพอเห็นง่าย ใช้ทักษะตัวนั้นมาเห็นตอนที่จิตมันเคลื่อนเปลี่ยนแปลงในขณะที่กระทบอารมณ์ต่างๆกระทบแล้วมีกิเลสเกิดขึ้นให้รู้ทันกิเลสถ้าไวกว่านั้นคือเห็นมันจิตมันเคลื่อนไปให้รู้ทันแต่เห็นตอนไหนก็เอาตอนนั้นไม่ใช่ว่าโอ้พอเกิดกิเลสแล้ ว, ลวเราลืมดูว่ามันเคลื่อนไปยังไงนี่ก็เกินไปเรียกว่าเกิดมีความอะไรเขาเรียกว่าลาคาญใจรู้ทันความลาคาญใจที่เกิดขึ้น <i> <hi> แต่ถ้าสมมติว่าเรานั<ม>่งแล้วเราเริ่มมันเดินปัญญาโดยการพิจารณากายถ้าเร า, ถ, า, เราถ้าเราทําแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เราทําไม่ได้คือมันก็คือมันไม่เหมาะกับเราใช่ไหมคะคือเสมมติว่าหนูมานั่งาะว่าหนูพอเริ่มหนูเริ่มรู้สึกว่ามันมีเริ่มสบายขึ้นทั้งกายทั้งคือจิตเริ่มเบา <i> เริ่มเดินแต่หนูกับหนวอ่าหนังสือก็เหมือนกับว่าอ่พิจารณาผมขนเล็ดฟันหนังอะไรอย่างนี้แต่ว่าอ๋อนั่นมันเดินสมถะแล้วเป็นไปเป็นในแบบสมถะ มันก็ทำไม่ได้ก็คือถ้าไม่ชอบก็มาดูใจมันมีที่ตั้งของการเจริญวิปัสสนาอยู่สี่กายเวทนาจิตหรือธรรมสี่อย่างถ้าไม่ชอบดูกายมาดูเวทนาก็ได้หรือดูจิตก็ได้เห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงมีราคะบ้างเดี๋ยวก็ดับไปมีโทสะบ้างเดี๋ยวก็ดับไปมีโมหะบ้างคือเผลอๆ เ, เดี๋ยวก็รู้ตัวขึ้นมาเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหูอย่างนี้ บางทีก็เข้าสมาธิได้บางทีก็ออกมามีการเปลี่ยนแปลงหรือจะดูเวทนาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยเวทนาทางกายก็มีเวทนาทางใจก็มีแล้วแต่แล้วแต่จะดูแต่ถ้าดูเวทนาทางทางกายเนี่ยอาจจะต้องใช้สมาธิมากหน่อยค่ะแล้วคือปัจจุบันนี้คือหนูสามารถแยกกายหมายถึแยกแยกดยูออกมาเป็นขันห้าทั้งขันหนูหนูพอคือเมื่อก่อนหนูเห็นดูมันอยู่สามสี่อย่างเดีนี้หนูแยกบ้างเดี๋ยวก็รวม เดี๋ยวก็ใหญ่เดี๋ยวก็รวมค่ะแต่นี่พอที่ตอนนี้ตอนนี้หนูหนูดูได้ห้าอย่างอย่างที่ขั้นทแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็ดูแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยืยใช่ไหมคะเห็นจนกว่าจิตจะยอมรับเห็นแรกแกเนี่ยจะเป็นการเห็นแบบคิดเทียบเคียงบ้างนะมันยังไม่เห็นจากการสภาวะที่มีอยู่แล้วมีสติไปดูพร้อมกับมีสมาธิด้วยแล้วมันดับไปต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เนี่ยจิตมันหนีไม่ออก มันเห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงจริงๆแต่ถ้าเห็นทีละขณะทีละขณะแล้วก็มาประมวลเป็นความรู้เนี่ยนะยังต้องใช้ความคิดอยู่อันนี้ยังจิตยังไม่เชื่อแต่ก็ยังดีเห็นทีละขณะทีละขณะทีละขณะเนี่ยมันยังไม่เห็นของจริงแท้มันยังไม่มีการเกิดดับในสภาวะนั้นให้เห็นต่อหน้าต่อ ต, อตาแท้ๆจิตเลยยังไม่เชื่อแต่ก็เป็นพื้นฐาน เอาไว้พื้นฐานที่ว่าเนี่ยคือทําให้จิตมีสติได้ง่ายขึ้นเพราะสติจะเกิดได้ง่ายต่อเมื่อมีถิระสัญญาตัวที่มีสติเห็นสภาวะต่างๆเนี่ยจะเป็นเป็นความจําเอาไว้และพอมีอะไรที่คล้ายๆอย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคล้ายๆกันมีอาการไม่ชอบเนี่ยอ๋อโทรศัทแล้วรู้สึกไม่ชอบไม่สบายใจมีความทุกข์เกิดขึ้นนี่โทรศัพแล้ว มันจะบอกได้ทำจนไม่บอกทำจนจิตมันเห็นเงียบๆขอบพระคุณค่ะเห็นเงียบๆแต่เกิดปัญญาเห็นแล้วไม่บรรยายว่าเกิดอะไรขึ้นพระอาจารย์คะปกติโยมก็จะนั่งสมาธิทุกคืนเนี่ยนะคะเสร็จแล้วพอหลังจากออกจากสมาธิเนี่ยก็เข้านอน แล้วเข้านอนทุกคืนนี้ก็จะดูลมหายใจไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลับไปะนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมก็ดูลมหายใจไปเรื่อยคงใกล้ๆคล้ายๆแบบเหมือนจะเคลิ้มคลิ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วโยมก็เห็นมันพองขึ้นมาปุ๊บแล้วมันก็ดับคือหลับไปเลยอันนี้พอตอนรุ่งเช้าโยมก็คิดถึงสภาพตอนนั้นได้ ม, มันเหมือนกับเป็นช่วงรอยต่อระหว่าง สุดท้ายแล้วก็เข้าสู่การดับฟัดเข้าไปในการหลับเลยอะค่ะอันนี้คืออะไรค่ะตอนนั้นสติมันอ่อนแต่ไม่ต้องไม่ต้องบังคับให้มันแข็งสติมันอ่อนก็เลยหลับค่ะแต่หมายถึงว่าเราเราเข้านอนนะคะแล้วเราเห็นมันพุ่งมาสุดท้ายหรือรู้สึกตัวครั้งสุดท้ายคล้ายๆความรู้สึกตัวครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่การหลับแล้วมันมันเป็นช่วงรอยต่อที่แบบ ปั๊บเข้าไปหลับไปเลยแล้วค่ะดีแล้วทาต่อทําต่อไม่ต้องสงสัยทําต่อไปมันเหมือนดวงจิตคนมันมนคล้ายๆแลปล่อยปล่อยให้มันหลับไปนะไม่ต้องอ๋อมันหลับค่ะแล้วมันก็ลืมพอตื่นขึ้นเช้าก็นึกถึงอ๋อเราจําได้ว่าเมื่อคืนเราเห็นตรงนั้นก่อนก่อนที่มันจะเข้าสู่ไอ้เส้นแบ่งหลับเข้าไปอ่ะค่ะดีสนุกดีดูต่อไปดีอย่างนี้ดี ทำต่อนะไม่ต้องไม่ทำไปเรื่อยๆโยมก็เลยมาคิดถึงว่าเอ๊ะแล้วจิตดวงสุดท้ายคนที่เขาจะไปจะตายเหรอหรืปล่าจะเป็นลักษณะอะไรหรือเปล่าก็มันจะโพองขึ้นมามันก็ฟับไปเลยหลือมันมันไม่แน่แล้วแต่ฝึกค่ะแล้วแต่ฝึกก็ให้ฝึกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะฝึกไปจนจนชํานาญจนชํานาญนะทําชํานาญหมายถึงว่าทําตอนเนี้ยทําอย่างนี้ทุกคืนทุกคืนค่ะจนเห็นอย่างนี้บ่อยๆแต่มันไม่จะไม่เหมือนเดิมน่ะมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เที่ยง ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรนะคะดีได้บ้างไม่ได้บ้างอะดีขอโทษค่ะพอดีพระอาจารย์บอกให้ดูตัวโลภพอหนูตั้งพอหนูหันไปดูมันก็ยิ่งโลภนะเจ้าค่ะมันเหมือนจงใจนะเจ้าค่ะคือหนูก็พยายามจะสังเกตสภาคือเรียกว่าหันดูตัวนี้มันเป็นกุศลมันจะดูยากหน่อยคือเห็นแล้วมันไม่ดับต้องเห็นมันเฉยเฉยไม่ใช่อยากให้มันหาย ตัวกิเลสอื่นๆที่เราเคยดูเนี่ยตัวโลภแบบอยากได้ของเลยนะมันไม่เหมือนโลภแบบอยากดีโลภอยากได้ของพอรู้ทันเนี่ยมันดับ <c oughs> โกรธเนี่ยรู้ทันดับฟุ้งซ่านรู้ทันก็ดับแต่โลภอยากดีเนี่ยเป็นกุศลรู้ทันไม่ดับ <c oughs> คืออยากให้มันดับไม่ดับให้รู้ทันอย่างเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นยิ่งไปเก็งยิ่งไปบังคับยิ่ง ริงเพี้ยนเลยค่ะมันมันตึงเพราะหนูสังเกตมาพักใหญ่แล้วค่ะที่ว่าเหมือนมันปโปร่งใจจิตปโปร่งรู้เฉย ๆ, <ต>ๆรู้เฉยเฉยสบายสบา ย, บายรู้ตามจริงเพ<อ>ียงแต่ว่าเหมือนกับว่าเขามีเฉลยไว้แล้วว่าเนี่ยตอนนี้มันเป็นโลคนะคก็ดูไปเฉยเฉว่าอ๋อเนี่ยเหรอเป็นอย่างนี้เหรอดูสบายสบายไม่บังคับไม่หายดูตามจริงรไม่อยากให้หายด้วย เชิญเข้ามาเลยฉันขอต้อนรับเคารพในปฏิสันถานอันนี้ฉันขอต้อนรับอันนี้นี่คือความโลกฉันขอดูขอต้อนรับตามจริงไม่ปฏิเสธไม่ไล่แขกอันนี้มันมีจริงยอมรับและมันแขกที่ดีด้วยพอพระอาจารย์พูดเลยนึกขึ้นมาได้ว่ามีอยู่บางแวบจริงๆที่ที่ ที่แบบว่าไม่ดิ้นโลน่ะเจ้าคะมันก็มันก็เหมือนกลางตรงนั้นเลยสบายมากเลยไหมแต่มันแล้วก็แข็งเป๊กแล้วมันก็อยากให้ได้อีกมันตอนกลางแล้วเราเราตีค่าเลยว่าแนี่ดีอ๋อค่ะก็มันไม่เจ็บนี่ค่ะดูไปจนแบบทําไม่ได้จริงๆมันทําไม่ได้จริงๆให้ดูอย่างเดียว เนี่ยมันจะดิ้นรนว่าจะทำจะทำ <laughs> ให้ดูไปดูแบบเคารพในปฏิสันฐานต้อนรับมันเหมือนรับแขกนี่มันเหมือนเป็นแขกแขกเข้ามาในอายตนะอันนี้จิตไปรู้เข้าไม่ไลไ่ไม่ไล่แต่มันเหมือน <laughs> เหมือนตรึงะะอ่ะค่ะมันยังตรึงอยู่และถ้ า, ถ, าถ้าตรึงไ ป, ไปก่อนอย่างนี้ก็ไ ม, ไม่ไล่แต่ปิดห้องเอาไว้ไม่ให้ออกอีก แขกอยากจะลาเต็มที่แล้วไม่ไปอีกเพราะแขกคนนี้ดีเดี๋ยวจะพยาลองดูครับรับแขกก็ต้องเกรงใจแขกก็บ้างเวลาเขาจะกลับก็ให้ก็กลับอย่างโยมจะกลับแล้วตอนนี้ก็จะกลับก็กลับได้เราอยากให้กลับนะดูดูน ะ, ะมันจะมีไม่เผลอไป เผลอแบบเผลอปล่อยเลื่อยเปื่อยก็เผลอไปบังคับเอาไว้มันจะเผลอสองแบบเป็นเป็นเจ้าค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้มากจนต้องไปดูหนังไปดูพี่มากอะไรอย่างเงี้ยคราว่า <laughs> โอ้ดูพี่มากคร <laughs> า, <laughs> าว่ามีข้อดีตรงนี้ว่าสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้ <laughs> <laughs> ไปดูหนังก็ทำให้คลายความเกรง <laughs> ไปดู <laughs> พี่มาก <laughs> มาก ขอบพระคุณเจ้าค่ ะ, คะ